งสักหน่อยเนาะเื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติ <c oughs> เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติธรรมเต็มที่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือปฏิบัติธรรมมาใช้ชีวิต เรื่องนี้สมบูรณ์แบบก <c oughs> ่อที่จะมองตนว่าเกิดมาทำไมชีวิตเราก็ได้สัมผัสกับลดของโลกแค่ไหนเพียงลายยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปี อยู่ในชีวิตแบบไหน <c oughs> เป็นอย่างไรรถของโลกไม่ต้องถามใครสุกสุกทุกทุกทกด้อยเสียหนิ้ทาเสนสวิ็นอย่างไรอะไรที่มันจะดีกว่านี้ถูกต้องกว่านี้ แต่ว่ามองตนเพื่อจะถามตัวเองเป็นโจทย์ตัวเองแค่นี้เพือชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราก็เห็นกันอยู่เกิดแจบเจ็บตายนี่แต่คนทุกคนลองให้เฉือยใจยรอวันที่จะทุกข์รอวันที่จะเสียใจยน้ำตาไหลแค่นั้น มันจะมีค่าอะไรเอาชีวิตในช่วงนี้มาเามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมาจะมีคุณมีค่าขึ้นมามรุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นคุณค่าของชีวิตที่เราเกิดมามีหรื อ, อยัง หรือจะเป็นคนข่มลอยข่มดีอยู่มีกายก็พาให้เป็นสุขเป็นทุกข์มีใจก็พาให้เป็นสุขเป็นทุกข์สวรรค์สมบัติอยู่ที่ไหนบรรทุกสมบัติอยู่ที่ไหนคุณค่าของคนเรามาอยู่ที่ไหนสถาบันรองรับรถของโลกอยู่แค่นี้หรือ เอามาทำประโยชน์เร่งนี้ให้เต็มที่แล้วก็มีโมดกธรรมมีคำสอนมีบรพาอาจารย์มีครูรราารครอาจารย์มีบรุรมครูพทุเจ้าพระอรหันได้มีมาแล้ว ก็คือคนเราสมัชนชนเหมือนกันกับเรานี่มีสุกมีทุกขเหมือนกันนี่ท่านทำย่างไงจึงเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระหันมีอยจริงคำสอนของบรมกูพุทธิเจ้าเราก็เลยสแสดงได้สาธยายมันเป็นเช่นาย เป็นภาษาโลกแก้วของคุณทองหรือว่าจปสมบัติของชีวิตของเราจริงๆจะหาเอาชีวิตช่วงนี้หาสร้างมากสร้างผลขึ้นมาก็จะมีประโยชน์ในโลกไม่มีโอกาสโลกมียตด โลตตถคยาประโยชน์ของโลกจะเกิดขึ้นแก่คนที่มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติอีกมากมายประโยชน์ต่อญาต ก, ก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายประโยชน์ต่อพระาศาสนาก็จะเกิดติดภาคมายถ้าว่าเราสร้างได้ตั้งแต่อายุปุณณ น, นี้ อแล้วที่จะงกงามขึ้นกับชีวิตของคนอย่างนี้มีหลายๆอย่างแต่ถ้าเราไม่สร้างมากสร้างผลเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติขึ้นมาอลไรจะหยุดหายไปจากโลกนี้โลตตาจิยะโลกหยุหายพราคนคนหนึ่งได้ยาตตาจิยายาจะเสีย อ, อกเสียใจกับคนคนหนึ่งได้ รพระโยนโจพระจา์นาก็เสื่อมลงไปได้เหมือนกันจะทำอย่างไยพวกเราเนี่มันมีอยู่แล้วกับชีวิตของเราเนี่เหมาะที่สุดมีกายมีใจนี่ทําำสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินิพานสมบัติ ให้ได้ตั้งแต่ปัจจนนี้ชีวิตของเราก็จะมีคุณค่ามีที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตเราของโลกได้จะมีความสมบูรณ์แบบของชีวิตได้ทําอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นเออสมของชีวิต ก็จะมีอาสมที่ดีต่อไปเรื่อยๆจาก 20-40 ปี50ปี60ปีถ้าไม่ศึกษามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้กันขึ้นมันก็จะไหลไปตามลถของโลกมนลลกมีเบียมีลูกมีหลานมีชอบสมบัติเดียวว่าคลุหัดเป็นคลุ่ยหัด ไปทางนั้นเกิดตายเกิดเจ็บเจ็บตายพวกควงเข้าไปหลังสู้พ่อหน้าสู้ดินแม้จะมีอะไรก็ต่างๆมากวาก็ยังจะมีทุกข์มากไม่หลุดไม่หล่นไม่มีสวรรค์สมบัติที่ฟางสมบัติมีเดี๋สิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ กกแบบคนมีลูกก็คิดแบบคนไมีลูกคนมีหัวมีเมียก็คิดแบบคนมีหัวมีเมียคนจนก็แบบ ค, นนคนิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยคนดีก็คิดแบบคนดีคนชั่วก็คิดแบบคนชั่วนั่นแหละ ว, ว่าคลือหัดมันจะไปทางโน้นช่วงเถียยุคในช่วงนี้มันก็จะเป็นวันนบประหลัดอาจจะ หลายหลไปนในความจุกไหลไปนในความทุกข์ไม่ลูกไม่หลานจับสืนสะดึงคานอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นรสชาติไปทางลสของโลกห่วงใยห่วงนู่น่วง น, วงนี่ชีวิตทีภูกพันอีกมากมายเข้าไป เนาสัญญาสีแอชิบเก้าิบปีจะเป็นเบนตนกรรมไม่มีอะไรเป็นสมบัติเลยแม่แต่ลูกต่หลางก็จำไม่ได้สัญญาสีไม่มีธรรมยึวดวันปลายเรียกลูกก็เรียกแม่เคยเห็น คนปว่วยเห็นเจ้เรียกรูปสาวเรียกว่าแม่แม่เรียกรูปชายก็เรียกว่าพ่อพ่ อ, อมันเป็นอะลายแม่บางทีเวลาชวนเข้ามาจนเข้ามาก็ยังล่องอย่างนี้ก็มีเหมือนกันให้รู้อย่าเพิ่งอะลายก็จะแสดงมล่องถึงคนแม่คนแม่เคยเห็น สี่คนเป็นโลกบอลเ็งมาอยู่ที่นี่ไปอยู่โรงพยาบาลไปตามไปดูไปโลองอ่ะแม่แม่ทั้งที่มีเงินมีทองเป็นครูมีชอปสีนในรุ่มีลลามีสามีนั่งอยู่เชียงข้าง แล้วก็ถอมันต้อยคนต้อ ย, อยทำไมจังล่องนะแม่จะกลับบ้านหรือถ้ายากลับก็จะพากลับไม่ไม่ไม่อยากกลับจะดูก่อนหลวงพ่อนี่ให้ล่องมันสบายมันสบายไม่มีทางออกมาเลยพูดล่องอย่างนี้อกอให้มันล่องอย่างนี้่มันก็รู้จึกทางออกมันรู้จึกมัน ไมมันจนมันไม่มีวิธีใดลองแม่แม่อยู่เป็นึงจนหมดลมหายใจอันนี้ก็คือคนแม่พ่อเป็นคนดีใครก็มีแม่มีพ่อต่อพี่น้องก็ดีก็คิดแบบนี้ ถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องไม่คิดถึงตัวเองไม่มีสมบัติสวรรค์สมบั ต, บตินิพานสมบัติมันจะเพึ่งอะไรได้สวัสดิ์สมบัตินิพานสวัสดิ์ก็ไ ม, มีไม่อุ่น อ, อกุอนจอยเราที่มันไปอย่างนั้นโจนที่สุดเลยลุม่ลมหลงเข้ามาความเจ็บกว่าลุมเข้ามา เก็บมาเสียเฉยๆความตายออาที่เราจดงออกก็ลุ่มเข้ามาหวังข้างหน้าหวังข้าหลังจะเป็นยังไงสจนาบเป็นกรรมยางไาางกว่าทุกกว่าบาปไม่จะความขัวเกิดขึ้นไม่มีมากไม่ผลอะไรเลยโจนที่สุดถึงกล่วงอย่างนั้นเราจะทำยังไง เงนวิเยอรสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติสร้างให้มีจาตั้งแต่ปูณนี้สี่สิบสามสิบสี่สิบปีเนี่ยน้อยคนที่ห้าหกสิบปีขึ้นไปจะได้มีโอกาสบัณฑษามักจะมุดเข้าไปในโลก หลงทิศหลงทางไปเลยแต่คนที่มีอายุผลนี่มาศึกษาธรรมะก็ไม่ค่อยสะดวกถ้าเรามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติไว้ตั้งแต่นั้นเนินจะได้อาศัยมีที่รองรับ พอเราจะเกิดขึ้นก็นมีจึงวุณธรรมเหล่านี้ลองรับลองรับไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพอธรรมย่อมรักษาผู้บุพเพตถังอยู่เป็นฤีธิ์พอธรรมย่อมรักษาผู้บุพเพตถังไม่ตกเป็นที่ชั่วไม่มีโอกาสจะเป็นทุกข์เล ย, เลยหาไม่เจอทุกข์ไม่จะทำช่วย ความดีศีลถามช่วยกุศลก็ช่วยไม่มีบาปบีเวญไม่กรรมมาลายบวชทุดปวดองพร้อมจะวางพร้อมจะวางวางวางเป็นศาสเป็นศินวางลงไม่ได้ตายมันเป็นขันห้ามเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่จดเป็นทุก์ คิดให้เป็นความคิดเรียกล่องโน้นเรียกลองนี่น เ, นนนเป็นธรรมที่ช่วยเหลือมันก็อาจจะยิ่มมีความปิติสุขพละสุขไปอีกปราะทุกข์ไอีกมีแต่สติแล้วหลืออยู่สมมาสมาธิอันนี้เหล่ากับว่าความตั้งใจมั่นชอบ เราอยู่ในธานาแบบไหนพอมีกระเสจรเ่านี้บ้างอาจจะมีบ้างตกกระไดคอกระจจนถ้าเราได้ประกอบได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สัมบัติบ้างหยุดเย็นบ้างปล่อยวางบ้างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรที่เกิดขึ้นมาหัดปล่อยหัดหวางหัดมีจติแลาอาโกศลเราท มีสัตวทามีเวรเพียนมีสติมีสมาธิเวรเพียนตั้งประคองตั้งไหวประคองตั้งไหวเพื่อละกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกเพราะละเพราะ รักษากุศนที่เกิดกันแล้วไห้เสื่อมเพราะนี่กุศลที่เกิดกันแล้วเจริญยิ่งขึ้นเพราะควรยิ่งขึ้นเมื่อทำยิ่งขึ้นไปบุญยิ่งขึ้นเพาะไม่เลอะเลือนยิ่งขึ้นมีหรืออย่างสม า, สมาธิเป็นคำพูดของใครเราพูดเองก่อนจะมามองตนมองขูดมองเรา เอาบาขัดมาสีมาตกแต่งกายใจของเราอย่าดื้อดันอย่าว่าแต่ปากยิ่งเวลาเราทำบ้ารสวนมน์นั้นอยู่ในรูปแบบที่ตรงเหมือนกับนักลบประทับอาวุธไว้ยิ่งทีไรก็ถูก ข้อศึกทุกทีแม่นทุกทีว่าโดยย่ออุปทานนะักขัทั้งห้าเป็นตัวทุก์รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันก็ไม่ชิดเจามาเป็นทุกรูปว่าไม่ใช่ตัวตนแม่นที่สุดสัญญาไม่ใช่ เวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนี่มันแมน่นล้วงทุกทีนั่งคุกเข่าบันนมมือผมค์พระจีวรมีพระประธานอยู่ตรงหน้าเป็นวัดวารามไม่ใช่ว่าคนเดียวมีสักขีพระญานได้ยินด้วยกันองค์พระชี้ขาวชี้ดำ มีกายมีรูปเหมือนกันว่าเหมือนกันสัมบัตได้เหมือนกันเจากันอย่างไรอย่าให้ด้านหนเขินล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่รอใครเราจะช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยตัวเองตั้งใจมั่น มีความเพี่ยนเครื่องของจิตเรศมีสสมปชัญญะมีสติอยู่ที่ไหนปัฏาอยู่ที่ไหนเชื่อไหมมีจริงไหม ย, ยิ่งเราปฏิบัติธรรมอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเห็นไหมความเท็จความจริงเป็นอย่างไรเดีวเรามีสติบรลบความเพียนหย่อนบิ่งไปในอน า, าคต อย่าหลงคืนไปอะไรอดีตอย่าพระวงในอนาคตจะาห่วงใจในอดีตมีปัจจุบันทำให้แฉมแจ้งจะพาะหน้ามีสตินั่นแหละ ว, วิธีที่จะทำให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเอาปัจจุบันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาที่ตรงนี้ละ่ะ ถ้มีปัจจุบันทำแจมแจ้งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาในความหลงควมรู้ในความทุกข์ความรู้เป็นจริงขนาดไหนให้มันแ จ, แจมแจ้งความแจงแจ้งอย่างนี้ด้วยวิปัสสนาภาวนากรรมาฐานภาวนาทําให้มาเกิดให้เห็นกับหูกับตาสัมผัส ด, ด้วยกับปากกับใจอของทุกคนต่อไม่หัดสัมผัส แล้วก็จะไม่ไม่แกมแกแล้งเราสัมผัสแล้วมันจะแกมแกล้งวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเรามีสติเราก็ลอบความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์ไปในตัวมันจะสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขึ้นมาได้จริงๆ ใครมาคู่ม้อเฉียนท่านบางคับไปท่านเป็นสุขใครบางบงคับไปท่านเป็นทุกข์ใครบางบงคับไปท่านหลงอะไรอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียวมันเกิดไหมคือมันเกิดขึ้นไหมเชียงเหล่านี้ถามตัวเองดูตัวเองดูสิเหตุเป็นอยู่ที่ไหน ผมอยู่ที่ใดทำไมเกิดอย่างนี้ใครเป็นผู้เหตุเหตุเ ก, เกิดอย่างไรดับที่เหตุดับอย่างไรแล้วเราก็มีกรรมฐานเนี่ยกลับมาลู่จึกตัวมีสติอยู่ในกายเป็นประจำมมีสติดูกายเป็นประจอาปสุากาย โอ้เจ้าก็บุกเบิกไปแล้วเซเวไปแล้วตัดทางไปแล้วจะไปไหมสักวบวาไหมหรือว่าโอ้ยไม่ไหวลำบากทำยากไม่สะดวกนู่นอันนี้ใครเป็นคนยากใครเป็นคนง่าย <c oughs> มีแต่เรานั่งอยู่ที่นี่ อะไรไมาเป็นความยากควญญามง่ายสมมติวันหยุดเป็นลงเป็นป่าเป็นอวิชชาจริงเรานี่ยเป็นเรื่อขอคู่กันอยู่วิชาอาวิชายากอะไรยากตั้งแต่นี้ไม่ทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็ยากนั่งเฉยๆก็ง่ายนอนเดี๋ยวก็ยากนั่งอยู่ก็ยาก ยืนอยู่ก็ยากเดินอยู่ก็ยากบางทักนเราดินเองยืนเียงนั่งเองนอนเองบางทีนอนลราก็ยังยากอยู่นอนแล้วก็ไปหลับยากเพราะความคิดใครมาบังคับไท่านคิดคิดเรื่องอะไรเกิดปัญหามันอยู่ที่ไหนตั้งต้นจากที่ไหนมันก็มีอยู่ในตัวเรานี่หัด มีจิติเนี่ยอันหัดได้สอนหน้าอยู่นะให้มีโอกาสให้มีโอกาสเต็มที่ช่วยกันให้เต็มที่เห็นมีเป็นเพื่อนกันเต็มที่ถ้าตะกจยรตะโกนบอกว่าสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกข์มีในโลกนี้ ทุกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ท่านสมมุติขึ้นมาเองสมุดบัญญัติขึ้นมาจากอวิชชาสร้างหน้ามันเป็นก้อนขึ้นมามันก็ไม่มีอลารที่ไหนรูปมันก็ไม่เที่ยงจะไปเสียเวลากับความไม่เที่ยงอย่างทําไมรูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนไปเสียเวลากความไม่ใช่ตัวตนเอามาประจุเป็นทุกข์ต่อจากนี้ไม่มีอะไรทุกข์ผู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผู้วความเป็นทุกข์ มีหรือมันไม่มีอ่ะเราสมมติมันหยัดขึ้นมาเราชอบเราไม่ชอบเราพอใจไม่พอใจถอนออกมานั่นเป็นรถของโลกถอนมอันออกมาถอนออกมานีสติช่วยนีนสิมิตรช่วยดึงช่วย ยึดเกาะไว้ถ้ามันอ่อนแรงก็เกาะไว้เกาะนิมิตไปถ้าแสงแด็วางนิมิตปล่อยไปเลยให้มันหัดในตัวงเองรที่เราฝึกหัดจะเชื่อมแ็งในความอ่อนแรงความเชื่อมแสงู่ในความอ่อนแรง ความโบไม่อยู่ในความหนักอะไรก็ยากไป่ไหวไม่ไหวหาความสุข้วยากคนประเภทนั้น <c oughs> คนที่มีความเฉลียวหนาความสุขจากความทุกข์ได้ไม่ยากจึงเหมาะที่สุดตรงทุกโอกาสตรงปฏิบัติตตรงปฏิบัติดี ปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันมีระเบียบวินัยกับการใช้ชีวิตเทียบจริงเหล่านี้มาใช้วินัยไปท่องในกระดาษปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติ อ, ตออกจากทุกมาเถอะอะไราก็ไม่สนุกดีเท่ากับเราะทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกแล้หลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงความชอบที่จุด ก็ไม่มีเสียงน่ะเนาะเอาไมเท่านี้หาอเจอเวลากปพอกันนะ